ทางเดินของชีวิตเราไปสุดจุดหมายปลายทางมันมีอยู่ทางตันก็มีอยู่ทางสุดตรงไปไม่ถูกก็มีอยู่โรคนี้จึงไม่อยากจะปล่อยให้วันงุดทั้งร้อยที่เกิดมาแจะตายทิ้งไปเป๋เป่ๆ รนเทียบไปเป่าๆโดยไม่มีประโยชน์อะไรต่อตัวเงและคนอื่นจริงอื่นว่าตัวอื่นต่อโลกตัวระพุทธศาสตร์ถนา้นก็จะฝุดลงไปบนดินนี่จะเจอแจกกองกระดูกของคนที่สุดโลกจะลายเป็นแผ่นดินเป็นพืชต่างๆ สาโลกมีพระพุทธเจ้าก็บัิขึ้นมาในโลกนี้รู้เรื่องนี้ขอเที่ยรูลจอกกระเสในผู้คนที่ยังไม่เคยเดินทางก็เห็นกระแสบ้างก็ยังดีลิหลี่ก็ยังดี แม้ยังทำอะ ไ, ไ้ก็คิดถึงหลายคนที่คิดถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ยังทำอะไรไม่ได้เป็นแต่คิดถึงไม่ไปถึงมีแต่รู้แต่ไม่เห็นมันก็ไม่เป็นสมผลวิธีที่จะเดิน ทางประชจุ๋มหอยปลทางมันก็มีแผนที่มีคนเดินมีประจบกรณผู้เดินทางจะเป็นอย่างไรไม่ใช่จะเขียนแผนที่ให้เ่ะเ อ, อ่อรู้จักแล้วเดินลองดูที่ทางเส้นนี้อันจะเป็นอย่างไร เหมือนเราเดินทางร้อยกมาหรือเดินทาง8ป0อยกามาจะเป็นอย่างไรยี่สิบันจะเป็นอย่างไรเดินทางยี่สิบันมันจะเป็นอะไรปัญหาก็เกิดขึ้นแน่นองกับการเดินทางแต่สำหรับผู้เดินทางจจริงไม่ต้องการให้ใครมาช่วยเหลือ จะช่วยตัวเองไปเลือกลองความสะดวกจะเดินจะนิ่งเหจุดหมายปายทางแ น, น่นอนความร้อนก็มีควาเห็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็มีความหิวก็มีเจ็บปวดก็มีหัแตกก็มีผ่าเท่าแต่ก็มีต้นขาแตกก็มีมันจะเกิดอะไรขึ้นมา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 ข้าของหลองคือผ่านความยากลำบากมาได้ใช้ช น, นะตัวเองนี่จึงมีวิธีปฏิบัติตา ก, กันทาตามพระพุทธเจ้าลองดูจะเป็นอย่างไรมี ความรู้จึกตัวไปในกายเป็นประ จ, จําฮัดเดินให้กายรู้จึกตัวให้ใจรู้จึกตัวทางมาอยู่ความรู้จึกตัวจะให้กายเป็นความสุขความทุกข์จะให้ใจเป็นความสุขความทุกข์เจ อ, เอะผิดก็มีถูกก็มีสงบ ก, ก็ดีมีฟุ่งช่านก็มี สบายก็มีสุขก็มีจะไปหลงให้ลูกเก็บเส้นทางให้ดีให้ลูกคำ ว, ว่าลูกคือไปได้ไปลูกไปเรื่อยๆไว้เรื่อยๆถ้าลูจากจะตัวเนี่ยเหนือความเหนื่อยความปวดความมื่อยความจิกจั่นิกค้านความร้อนความหนาควคาว่าลูกชื่อๆตัวเนี้ย เงินวกเงินไว้ละวกเงินวกเทมเกย น, ย น, ยนตัวหน่อยคู่ใดหนักก็ดันเบาก็ดันอย่างส ม, ม่ำเสมอหนักก็ไปเบาก็ไปด้วยสะที่เดินเก้าเท่าเดิมความไวเท่าเดิม ความเจ้าเท่าเดิมสม่ำเสมอวเทียงถ่ายเกียมคลาดนักก็ดันไปเบาก็เดินดันไปใช้พลังงานด้วยการสม่ำเสมอมาวิ่งทางกายทางทุกข์าก็ไป ขามีน่องเหยียบใช้อย่างจังหวะพอดีมันไม่เหมือนรถรถถ้าหลุมก็ตกหลุมถ้าม่าไม่ตกหน้ามันรู้จักรู้จักหยอดหลุมม้าที่มีผีเท่าดีคนนั่งขาไม่แตกก้นไม่แตกตาม่าผีเท่าไวดีคนนั่งก้นแตกกระดกกระดิก ก็เรยว่าผีเท่าดีวัวผีเท่าดีควายผีเท่าดีการเดินทางของจิตวิญญาณก็คือลักษณะเดียวกันนี่รู้ชื่อชื่อวันสุกก็รู้เนี่ยผีเท่าดีโยดหลุ่มดีมันทุกข์ก็รู้มานสุข ก, ก็รู้มานสงบก็รู้ มันพุ่ง้านก็ลู้มันผิดก็ลู้มันถูกก็ลู้อะไรก็ลู้นี่คือนักเดินทางทางจิตวิญญาณเพราะว่าที่ลูกคือปกติหัดตดนใ้ปกติอย่าผูกผูกแผบๆที่กเกิดก็หยุดขยันก็ทำแต่ะอกักกรังต่างจะเกิดขึ้นมา บางทีก็ชัดตาบางทีก็เบือ่อหน่ายบางทีก็เฉียดหลาดั น, นวรเทียมเกลียนเวลาลงขี้โคนก็เฉียดหลาไม่อยากจะดันไม่อยากจะไปะเวลามาเดินทางไกลเวลาเนือเม่อไรก็ยืดไม่อยากวิ่งขยุดเวเทียมข่าเทียหสายรันหนักลน้นก็ขยุ์ได้ ออกทิ้งแอกทิ้งเถอะ น, นั่นว่าไม่ใช่ควายนาหัวเกลียนแต่ว่าลักษณะของวายของหัวของช่างมันก็มีลักษณะตัวใดมีผีเท่าดีหัวตัวใดมีผีเท่าดีวายตัวไหนมีผีเท่าดีาดก็ดูออกโดยหลวงตาเนี่เป็นนักดูหัวดูควาย แต่ล่อใจแกนใจฆ่าใจถ่ายทำพันทำดูตรงไหนมันก็มีตำราดูเหมือนกันแะคนคนก็เหมือนกันมันบอกลักษณะมันบอกวัวผีเท่าดีก็ดูเล็บสักๆสัมนุนหมนุนย์ไเล็บเนบเนบเนบเนบขาหลังตรงตรงวหวางไหล่หน้าเหลยหลังหนุนกันพอดี นี่เราวัวพีเท่าดีตัวเล็บตัวไหนตัเนื่อยหาน่ อ, น อ, นองนไเ ป, ไปตาปะอึดดอดี่เกียรต์วายหมือ น, นกันีเท่าดีดูลักษณะเขาตกอกเป็ดเขาตกอกเป็ดที่ดกเลขาตกอกเป็ด คนห้างจโบูสีดโดดหลง k ข ổ ต ụ c อกเป็ดไยน่ารู้ออกเท่าไหร่ก็ชื่อถ้ารักลักษณะนี่ก็ฆ่าเพลงนี้แต่ทุกวันนี้ไม่มีวัวในควยเลือกนี่แต่ลดไถนี่แต่ลดอบูต้าอะไรต่งางๆหลอกได้หมก็หลอกตายแต่วัวควายหลอกไม่ได้รู้ออก ข้อค่ตาคมชีวิตเราก็า จ, จะเป็นเช่นนั้นทีขี้เกียจสันหลังยาวแต่ว่าถ้าฝึกเราฝึกได้ทุกชีวิตอธีฝึกก็ง่ายา ม, มันมีบัรทัดฐานมีกรรมฐานมีการเคลื่อนไหว อาศัยกรรมอาศัยที่ตั้งอาศัยฐานเป็นที่ตั้งหรือว่านิมิตที่ตั้งหลักอาตั้งไว้ดีมีจุดหมายปลายทางตั้งไวน้นี่เพื่อจะเอากายกับใจเป็นเป็นที่ตั้งแห่งความรู้จักตัวจะให้อดื่นมาตั้งคลายของเราใจของเรานี้ ให้เป็นที่ตั้งของความรู้จักตัวอันอื่นเคยมาตั้งนานมาแล้วความหลงก็เคยมาตั้ ง, ว ง, ค, งควา ม, วามทุกข์เคยมาตั้งความลักความชั่งวิเกียรติค้านพอใจไม่พอใจเคยมาตั้งตั้งที่กาที่ใจเราอาจจะเป็นนิสยัยเคยกินในทางนั้นก็ทวนเอาไว้หัดได้ไม่เป็นไรหัดได้ เพราะมันไม่ยากมันมีกรรมวิธีสิ่งที่ยากให้ง่ายได้คือกรรมฐานนี่จึงมาพิสูจน์กัเถอะพวกเราว่ามีประโยชน์จริงๆรูปนี่นามนี้อย่าไปปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันวิสังขานเกลียนลอยเป็นดี แม่สังขารไม่เที่ยงเอาความไม่เที่ยงให้เป็นเรื่องกระตือรือร้นได้เห็นแจ้งอย่าทำลายความไม่เที่ยงแต่ลูกน้ำาขอหลอเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเรา เ, าเสือต้นไม้เวลาไปนั่งเดินทานอามีดควันหักก้านลานจริงแล้วก็สังขา น, นก็รีบไป ตามพนไปป้นไ ป, ป, น ไ, ปไม่ใช่สังขารธรรมชาติสังขารถูกป้นไปให้เกิดเอื้อแสเ้อเกิดโลกขึ้นมาปวาจะมาส่องแผลฟันต่อยอดตีกก็เสียเวลาสิ้นเปลืองพลังงานของมันแทนที่จะไปสร้างให้ความใหญ่โตก็เลยเสียเวลาแก้นไปเลยวันที่ก็เป็นแถ่เอหน ไม่เจริญยึดของเราเช่นกันหรือปลีบ้างสิืนเล่าบ้างหรสิ่งเสพติดบ้างเสียพลังงานไปทางอื่นบ้างก็เรียกว่าถูกปล้นสังขารในวันด่วนด่วนโทมลงเรื่อยๆจึงน่าสงสารที่สุดรูปนี่นามนี้ มันก็เป็นทุกข์อยูแล้วทำให้เป็นทุกข์อีกอะไรมาให้มันแบกอีกน่าสงสารต่กิดใจก็น่าสงสารมาเรื่องมาชิดปูงปูงแต่งๆไม่ปกติใจมันปกติมาจะเดินแต่ผิดปกติมันถูกปุงยอะแยะตุนเลยมาดีๆเขาฉอดบริสุทธิ์เปื้อนไปหมดเลย น่าจะกระตือเริ่มต้นกอบปูรูปนี่นามนี่ขึ้นมามันมีมรรคมีผลรูปนี่นามนี่เมื่อมีสติเป็นที่ตั้งไว้เกิดงอกงามขึ้นเป็นมรรคเป็นผลเดินบนไปนกุศลหลงลู่นี่ปลูกปนลงไปถ้าหลงเป็นหลงปลูกบอบลงไปอากุศลทาดําน้ำำนําไปแล้ว หลงเป็นหลงทำดำนำพาหลงเป็นลู่ทำขาวนำพามันอยู่ตรงนี้นะสุขเป็นสุขทำดำนำพาทุกเป็นทุกทำดำนำพานั้นพาไปแล้วผิดไปแล้วเรื่องที่พิธีพิธันตรงนี้เวลาเราปฏิบัติแต่หลงเป็นลู่เนี่ย ทำนำพาไปไปกระางสุ ก, ก็รู้ทุกก็รู้คือทำนำไปไปจากข้าศึกนี้ไปจากข้าศึกจนไม่มีข้าศึกไม่มีภัยพ้นภัยโดยทรามอย่างนี้ไม่ใช่อ้วนบอลศาสานนี่ยไม่ใช่ศาสนาการอร้วนบอลศาสนาการกระทํา แล้วก็เราก็มีกาย่งใจนี่อาบาทรรมเรื่องนี้มันก็ไม่ไม่เหลือวิจัยนี่แต่เคลื่อนไหวได้เฉพาะคอเขาังทำได้แล้วหายใจเข้าหายใจออกอยู่พมาะมันรู้จักตัวได้สวมรู้จักตัวไม่ได้อาภัพดังเอื้อใจอาภัพตาบอดว่างหูหนวกบ้า ง, หงห กรรพิการบ้างอา จ, จอารย์ครับแต่ว่าใจมันไม่อภัพยอย่าดูถูกคนพิการเดี๋ยวนี้จางกรพลเคลื่อนได้ตะคอได้เป็นบุคคลตัวอย่างในโลกุณธรามตัวอย่างในโลกพิเชเศษในโลกเราจะเอาอะไรมาอ้างอยู่ที่ใจเราเนี่ย เอาควาแเจมาอ้างหรือมันใช่เอาของเก็บป่ือมาอ้างหรือมันก็ไม่ใช่ยิ่งแกาก็ต้องใช่ยิ่งแก่ยิ่งใช่ยิ่งเก็บยิ่งใช่ใช่เท่าไหร่ก็มีประโยชน์ทนั้นไม่เหมือนใช่ลดใช่เรือจะเทอเไหร่ก็สิ้นเปืองอาจจะใช่ไปสิ้นเปลืองอ โดยเฉพาะกรรมฐานมากใช้วิชาการกระทำที่ซิ่มเปืองหลการกระทําที่กอบกออกขนเพียงจะ่กู้แขนเข้ารู้จึ ก, กอย่าฉนอกรู้จึ ก, กน่าจะประโยชน์แล้วได้ประโยชน์แล้วจึงอย่าให้พลาดจะงานกรรมฐ า, านนี่เป็นงานเรียบด่วนสําห ร, รับชีวิตทุกชีวิต พวกนี้จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ย ว, ยวนี้มีอยู่แล้วพร้อมแล้วโอกาสก็พร้อมแล้วสิ่งแวดล่อมก็พร้อมแล้วมิตรเพื่อนมิตรก็พร้อมแล้วพร้อมจะเป็นของเคียร์ให้กันละกันโดยทรมงธวินยัยจิจวัดวิธีวัดตามเวลา แต่ละวันเพื่อเป็นลู่ล้อมให้ไปสู่ทิศทิวทางเวลาบอกและเบียบบอกลูล่ล้อมกายล่ว ล, ล้อมจิตใจนีกรรมฐานเราจึงคุกตนสอนตนถูนตนแจ้ไขตนมีสติ เนี่ยมันทำไม่ยากนะจะได้จะได้จะไดายความหลงที่เกิดกับคนให้เป็นหลงจะไดยความทุกข์ที่เกิดกับคนให้เป็นทุกข์ออกมาเป็นความรู้จากตัวเนี่ยมันหลังงานแล้วก็งานชอบชี่จุดอะารงานชอบแล้วเปลี่ยนร้ยเป็นดีมีงานให้ทรทุกทุกโอกาส งานเปลี่ยนได้เป็นดีเวลาก็มีให้เราเปลี่ยนนั่งหายเว้นได้แต่นอนหลับถ้เาเลหลับก็เป็นเวลาสตาร์ทหรือพักก่อนชาร์จพลังงานเพื่อให้เหงาะสมสมดุลที่มันเป็นรูปเป็นนามถึงก็ต้องจิเวลาให้เบาะสมกับที่มันเป็นรูปเป็นนาม นอนก็เป็นเวลาขนอนผิดเวลาก็ไม่มีประโยชน์ตอนอาหารไม่ถูกเวลาก็ไม่มีประโยชน์มีระเบียบของเขาอยู่ตามธรรมชาติจึงเหงื่อที่สุดชีวิตเรานี้ผู้แขิงเขา้าเหยียบแข่งโดดมันเป็นงานชอบที่สุด เปลี่ยนหลงเป็นรูด้วยเปลี่ยนทุกเป็นรูได้เปลี่ยนผิดเป็นรูด้วเปลี่ยนถูกเป็นรูดวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงะจะงอกงามแค่เท่าไหร่ความรู้จักตัวเน่ไม่อาศัยการเดินเมือกับฝนฟ้าถูกข้าวปลูกพืชต้องอาศัยชิงแปรร่องภาย น, นอกจึงทําได้แต่ว่าปูก มักปลูกผลเนี่ยไม่มีสิ่งแวดล้อมใดๆอยู่ในกายในใจถ้ามีลูกมีดาวก็ทําได้แล้วมันมีอะไดอ้างยัางว่าลูกว่าเมียเลยก็ไม่อ้างไม่ได้ไม่ได้ทิ้งเมียไม่ได้ทิ้งลูกไม่ทิ้งการทิ้งงานเรารับผิดชอบอยู่เราปฏิบัตธิธรรมเกิรับผิดชอบงานงานชอบ มันก็ชอบหลายอย่างการคิดชอบดมดิชอบพูดชอบการงานชอบเรื่องชีวิตชอบความภาคเพียงชอบการตั้งสติชอบการสร้างสมใจไวชอบมันก็หมดชค่นี้แล้วชอบแต่จารวมกันเป็นทางก็ชูมรุูผลอยู่ที่ไหน อยู่ที่ตัวเราเนี่ผู้แข่งเขา้าเหยียดแขนออกเนี่ยมันตปนทุกอย่างแล้วรวมวงจรมาอยูนี่ก็๊วงจรแดี๋ยวะความชั่อก็อยู่อย่างนี้ทำความดีก็คือทําอย่างนี้จิตวิริยุทธ์ก็คือทําอย่างนี้ไม่ใช่อ้อนวอนวงสวมบูชายันลึกนา้อย่างดีมัใช่ ยอมดีก็คือการทำดีเปลี่ยนความไม่ดีเป็นความดีลือดีไปเชช่คำนั่งสร้างเจ้ายวขันชูห้องคำสองคำผีฟังทำปาสาสคํคำล่องมือถา่าค่อยจินสีคำนวนไปตินแต่ถากแดดหาคำพีวดล่มอมโปงออะไรทานอง น, นั้นเจป่งพืช ติดหัวฉันต้นอังคารใบพันธดอกคุ้มากวันพุธต้องปลูกหมากไมวันอังคารต้องปลูกมอญใบวันติดหัวฉันต้นวันจันต้องปลูกปอปลูกอ้อยรว่านั้นถ้าฝนตกไปถึถึงวันฉันในสมพูดวันนี้วันอังคารใชหมฝกวันอังคาร พอจะรอถึงวันจันทร์ดินก็แห้งแล้วรวามบรีบขงการกระทาเนี่ยวาจะก่อลาะเถิดจกรรมเป็นสิ่งจำแนกสัตว์โอ้ไม่ไม่มเสียงดบ่งขึ้นเหน <laughs> ต่อไปจะเลิกลาหรืออย่าจะวเพาะว่ะะาฌาสังขนาชใจ ถายรูปที่ช่วยกันถูเลอะกันหลังก็ไปดูงานผู้คลองรู้สึกว่ามันต้องถ้าเราไม่ไปก็ไม่ได้แล้วมันต้องไปดูางานเช็คหน่อยก่อนมันจะเสียหายรานนี้ก็มาเช่นชี่้เจติกันไปดูแป๊บเดียวก็เสียไปแล้ววันนี้วันจะไปดูอีกอีกพวกนี้ก็จะต้อง เป็นวันวิสาขะงูชาเราก็มีกิตกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาโดยการบวชต้นไม้นอกจากการปฏิบัติทรรแสดงออกถึงความว่องใยเผยสอนแล้วมีความรักมากต้นไม้นี่สุดหัวใจเลยทีเดียวล็อกแผ่นดินลักล็กต้นไม้เพรต้นไม้นี่มีประโยชน์สูงสุด แล้วเราเช็กกระดาษชิู้แจ็กเดียวต้นไม้ล้มไปแล้วต้นหนึ่งวันหนึ่งสองหมืนห้าพันต้นคนทั่วโลกตัดต้นไม้เช็กกระดาษชิ้นชู้แจ็กอ่ะมาต้นไม้ล้มไปแล้วต้นหนึ่งคนตั่โลกก็ดูที่แถวเนี่ยบริจตุลัดไปเนี่ยด้วต้นไม้เข้ามาบดปานภูเขา ประทมประดาษรดสิบล้อสิบแปดลวันทุกไปอรมาจากไหนก็อยู่ในแผ่นดินนี้ประดานต้นไม้เทนิประกาศว่าห้าแสนต้นให้มีเจ้าของห้าล้านหกสิบคนอ่ะประเทศไทยมีคนกี่คนหกสิบห้าล้านคน ตนไม้ในวัดป่าจุกโตห้งนี้เจ้าของ6กสิบาล้านคนมาช่วยกันดูแลการดูแลต้นไม้คือทำบุญการงดสุบุรีก็ถือว่าทำบุญการงดทำความชั่วถือว่าทาบุญทําบุญที่นี่ให้รักษาตนไม้มาร่วมกันรักษาตน้นไม้ได้เขาต้นไม้ใหญ่อยากไปามาดูอยู่นะ่น ยาวหน้ากว้างยาวสองเมตรครึ่งสปนกระดานแผ่นเลยสองเมตรครึ่งความกว้างของหน้าไม้บระมาห้าศอกความยาวห้าเมตรใส่รถฉีบโลเต็มยาวยาวค่นไปเขาจะขายเฉียนหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่มีเงินชื้รถเพราะดูเป็นขวันตา ต้นมม้ใหญ่เนี่ยโอ้โหวานก็บวดต้นไม้สามต้นต้นหนึ่งก็ว่าเอาเป็นลูกชายลูกชายจริงๆลูกชายคนเล็กปลูกเม 2500, 4, 2500. ื่อปีสองพ5 0 0้ารสี่สองพัน้ารยหจอนจี่นจีก็มาพาปลูกเลนก็ ย, นยานเอาเป็นลูกชายคนเล็กเอาต้นเพเืเอไปหวย ต้นหนึ่งก็ของเจ้าอำเภอเจ้านอำเภอตายไปแล้วก็เลยเจ้าขณะอำเภอเฮ้ยลักต้นา่าจนนี้จะดูเหลือเถนให้โอ้ดูเลือต้นหนึ่งอำเภอเจ้งข้อปลูกจำหน่อยอัเปอสุจพพงอะฮะจำไหมเฮ้เยเ จ, <laughs> จ้าข้อที่เกียณไปแล้วอัเปอร์ผนุพง ขอไปจำได้เดี๋ยวนี้ก็อยู่ผู้เขียวเขียนแล้วไปอยู่ผู้เขียวแหลงเพลผานุพงน์นี่มีประวัติที่นี่เอาลูกชานมาวัดที่นี่เดาสมั น, นั้นแต่ก่อนนะ่ะที่นี่เป็นเฉดแหลเพลกับเฉดสมบูรณ์เจ้าที่ตารวจปลอมหรือจิงก็ไมาเจ้ามาลบกวนเรื่อยมายึดไม้เรื่อยจับไม้เรื่อยแต่ใบหนึ่งเราเลื่อยไม้ ที่ไม่ยางใหญ่เข า, เาปลายมันไม่หลงเรยเขาตัดทิ้งต้นไว้เขาไม่เอาเขาแต่ปลายมันปลายต้นใหญ่อันเลยเขาเลยเลยให้คนไปเลื่อยมาทําเป็นฝาช่วงก็ไม่ยาวเท่าไรประมาณห้าศอกคือส่อห้าศตอนส้นได้กระดานเป็นร้อยแผ่นตํางหัวจะมาจับเอา บอกว่าเอ า, าไว้ทำช่วงไม่ลูกเรื่อยคำาไม่เอาเอาจัดทิ้งไว้นี่ดีกว่าปล่อยันเน่าทิ้งไม่ได้หรือว่ามีไม่สะสมไว้เปินลูกบอดมันผิดแต่ไม่จับเจ้าของไม่จับของพ่อจะเอาไม้ยืดไม้เป็นของกลางเข้ารัด อายืดใ <laughs> ่ไปเจาะอ๋อแไฟเซ่ารัดเรื่อไปเซตบานก็นบรลุกไม่อยากขึ้นต่อเปิดกระจกสมบูรณ์ลอยให้น้ำเผิจังข้อน่ะอยากขึ้นต่อเผิจังข้อทำได้ไหมเจ็ดเนี่ยตั้งแต่ลำปูเท้าบานเนี่ยไม่เสร็จเสิดสมบูรณ์ต่เดฝาหรือว่าได้ผมจะลองดู พูดมันเป็นเขตทหารตอนนี้รลงพ่อจะเอาต้งไหนล่ะเอาผู้ข้อู้ขีคูกลางเอามาห้วยยางเป็นเขตแดนกถท น, นทั้งหมดเัิเผาทุกอย่างเป็นแต่ใ้เปลี ت, ่ยนเขตฉีดเส้นเขตใหม่ได้ตั้งบ้านใหม่กับบ้านท่าเวอร์ไหนเป็นว่าบ้านอเภอแจงก็ เป็นว่าสองโบบ้านแล้อนายอำเภอพระพนุ์งฟองปลูกต้นไม้ไว้เลยไปห่อต้นไม้ไว้แล้วด้วยอะไรรักษาโหเป็นตาแทนพวกเราก็เป็นเจ้าของต้นไม้อย่าโนยได้คนละสิบต้นนะภาไปหอ่อไปห่มมา้ดยกิดใจสำ น, นึกมีที่ไหนต้นไม้หน้าว่างห้าห้าศอกเลยไปเห็นไหม นี่มันมีอยู่ที่อุบุนเลยเขาเกินสลินโทนมันน้อมมันแห้งเขาโอจอกน้อมเขกอนในบรรทแห้งเอาขึ้นมาเลื่อยเป็นโซฟพราะนั่นเนี่ยเขาลบที่จุดกระต้นไม้เนี่ยนั่งอยู่นี่ก็ต้นไม้บ่านเรือนกรต้นไม้แต่คนไม่รู้จักสงสารหลายกัน เาจึงเป็นมือเป็นขอเป็นมือเป็นแขนเป็นตากเป็นเสียงเป็นกำลังมังชาช่วยคนททยห5สิห้าล้านคนให้เป็นป่าไม้ที่นี่เป็นของแผ่นดินเอาไว้ช่วยเป็นเจ้าของทุกๆชีวิตในวันพรุนี้เพื่อเพื่อสนับสนุนของการวันตัสดูพระเจ้าอวดขึ้นมาร่วมก่นเป็นบุญให้สานึกในใจเสมอ ว่าไปไหนก็คิดว่าลูกจิงลูกชายหลานชายอยู่ที่นี่นต้นใหญ่หน่นนนนหนอยก็เป็นป้าเป็นลูกทุกคนจุ๋หย่อยก็เป็นพ่อเป็นแม่ทุนสามรอปีเอาเป็นปู่เป็นย่ามีนะไหมสามรอยปีท้น้นวันนี้ก็สมควรจะฟ้องเว็บ